ทรงอนุ ญ, ญาตให้ขอบาทได้หกร้อยสิบสมัยนั้นบาทของภิกษุรูปหนึ่งแต่เธอมีความยำเกรงว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการออกปาก ข, ขอบาทจึงไม่ออกปาก ข, ขอบาทเที่ยวรับบิณฑ บ, บาตด้วยมือทั้งสองพวกชาวบ้านจึงตำหนิประนามโพนทนาว่าจะไหนพวกสมณะเชื่อสายสักยบุตรจึงเที่ยวรับบิณฑ บ, บาตด้วยมือทั้งสองเหมือนพวกเดียร ถ, ถีเล่า